ดูกรช่างไม้ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าธรรมะสี่ประการเป็นไนอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุ น, นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหรันต์นะแล้วก็เลื่อมใสในพระธรรมว่าสวาขาโตเป็นต้น เรื่อมสายในพระสง์ว่าปฏิบัติดีเป็นต้นแล้วก็ข้อที่สก็มีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทินมีจาระาอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำเนกทานอยู่ครองเรือนดูก่อนช่างไม้ทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเห็นนิพพานแล้วแต่ก็ยังไม่ชื่อว่าตรัสรู้ถึงที่สุดนะนะเพราะยังเป็นแค่พระพระอริยะเบื้องต้นดูก่อนช่างไม้ทั้งหลายท่านทั้งหลายประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ทายาธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีอยู่ในตระกูลท่านทั้งหลายฉเฉลี่ยทายาธรรมนั้นทั้งหมด กับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเหมือนว่าพวกมนุษย์ในแคว้นโกศลมีเท่าไหร่ท่านทั้งหลายก็เฉลี่ยบแบ่งปันให้เท่าเท่ากันช่างไม้ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาบของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดีแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ พ, พฤติการอย่างนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายนั่นแหละนี่ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของ พระอาเรียเจ้านะท่านท่านมีความคิดยังไงต่างกับเราเยอะไหมก็ท่านยังบอกว่าท่านแม้แต่ท่านเป็นพระสกทาคามีท่านยังคิดว่าคับแคบในบางเวลาที่ท่านทางานเนาะทงานเนี่ยนะแล้วสมัยนี้นะครับเป็นปุถุชนเนี่ยไม่ยิ่งแคบกว่าเลยครับก็คือทำให้กรุณยมเจตสิกเกิดขึ้นนะทำให้เห็นว่า อบายเนี่ยมันไปโล่งแล้วกันทางอบายเนี่ยมันโลง่งแต่ว่าที่จะมาคืนสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยยอมคนหนึ่งก็บอกว่าท่านที่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มายากยากเห็นยังไงประเทศชาติคนเนี่ยมันจะล้นโลกอยู่แล้วคนอื่นน่ะเกิดไม่ยากหรอกแต่เราอ่ะเรานี่โอกาสที่ส ม, มุติถจุติดับปุ๊บปฏิสนธิเป็นมนุษย์คืนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มีมากไหม แต่คนอื่นนี่ยังไงเขาก็เกิดอยู่แล้วธรรมชาติของเขาเข้ามาด้วยบุญของเขาอ่ะแต่เราเนี่ยตัวเราเองเลยนะพอที่จะมีบุญมาเป็นมนุษย์คือเนี่ยง่ายไหมนั่นแหละอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้เขาอยากเป็นคารวาตมีความสุขแบบชาวบ้านแต่ว่าอยากไปสวรรค์เนี่ยจะทํำยังไงอีกสูตรหนึ่งนะในเวรุทวารสูตรธรรมปริยายอันควร น, น้อมเข้ามาในตน ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากเสด็จถึงพราหมนาคามของชาวโกศลชื่อว่าเวลุทวาระพราหมณ์และขรหาบดีชาวเวลุทวาระได้สดับข่าวว่าพระสมณโคโดมผู้เป็นโอรสของเจ้าสกยะเสด็จออกผนวชจากสกยตสกุลเสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก เสด็จถึงเวลุทวารคามแล้วก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณนะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอาหารหันต์เห็นปานนั้นเป็นความดีอันนี้ก็คือฟังข่าวฟังข่าวพระพุทธเจ้าอะ่ะเสด็จมาเหมนกั น, นแล้วก็กล่าวถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเกือบทุกแง่มุมเลยครั้งนั้นพราหมณ์และครหบดีชาเวลุทวารคามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกปนมณอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกประกาศชื่อโคดในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานะแต่ก็เข้าไปหาได้ข่าวว่ามาก็ไปต้อนรับเอะหน่อ ย, อยแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระคโคโดม ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้มีความประสงค์อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายพึงเออัด์ไปด้วยบุตรอยู่ครองเรือนอนะนะก็อยากอยู่กับบ้านอยู่กับช่องอยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละยังไม่อยากไปไหนหรอกอพูดแบบจำนวนทุกวันเขาชอบใช้ไงยังไม่อย่างนี้พานเรอกอยากอยู่กับลูกกับหลานนี่แหละงั้นแล้วก็ พึงรูปไรจันทร์ที่เขานํามาแต่แคว้นกาสีประจันทร์ก็คือเป็นเครื่องหอมนะไม้จันท์นี่ไม้หอมก็ยังอยากใช้น้ําอบน้ําหอมอยู่นั่นแหละพึงทัดทรงมาลาของหอมและเครื่องรูปไลพึงยินดีทองและเงินเมื่อแตกกายตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีความสุขแบบชาวบ้านด้วยตายแล้วไปสวรรค์ด้วยคําถามเขามีอย่างงั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงแออัดไปด้วยบุตรอยู่ครองเรือนจนถึงเมื่อแต่กายตายไปพึงเข้าติเออพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยประการใดขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงทำด้วยประการนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้มีความปรารถนาผู้มีความพอใจผู้มีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนั้นเถิดนะพระองค์ไม่ได้เขามีคําถามยังไม่อยากไปนิพพานแต่ก็ยังอยากอยู่คองบ้านครองเรือนมีลูกมีล้านอยู่อย่างเงี้ยนะเออคนอย่างนี้ก็มีนาะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์และเครืหาบดีทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะปริยายอันควร น, น้อมเข้ามาในตนแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังธรรมะปริยายนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์และเครือหบดีชาวเวลุทวารคามทูลรับพระดํารับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์และเครืหาบดีทั้งหลาย ธรรมปริยายที่ควรน้อมเข้ามาในตนเป็ น, นไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า <น cents. S 1> เราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ผู้ใดจะปรลงเราผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เสียจากชีวิตข้อนั้นไม่เป็นที่ชอบใจของเราอันหนึง่ง เราพึงปลงคนอื่นผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกเสียจากชีวิตข้อนั้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจแม้ของคนอื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมะข้อนั้นอย่างไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากปานาติบารด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อ ง, งดเว้นจากปานาติบาทด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปานาติบาดด้วยกายสมาชาญของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วน3อย่างนี้ น, นะมีการที่บริสุทธิ์ในศีลข้อที่หนึ่งคือตัวเองงดเว้นสอง ชักชวน 3. กล่าวสารเสริดูก่อนพรามและครหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงถือเอาสิ่งของที่เราไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น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 กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากอธทินาทานด้วยกายสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ดูก่อนพรามและเครหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจาจรณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดถึงผู้ใดพึงประพฤติผิดในพฤยาของเราข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา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 ตนเองย่อมงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วยชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร์ด้วยกายะสมาจาร์ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วน3อย่างนี้ก็คือศิลศินห น, นั่นเองอะเนาะสิลข้อ1ข้อ2อข้อสไปแล้วไปก็ดูก่อน พรามและเครือาบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอ ร, ร, ริยาสาวกย่อมที่เรณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดทําลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงทําลายประโยชน์ของคนอื่นด้วยการกล่าวเท็จข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมะข้อนั้นอย่างไรอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากมุสาวาท ด, ด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากมุสาวาท ด, ด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากมุสาวาท ด, ด้วยวจีสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสาอย่างนี้ ดูกรพรามและขุราบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงยุโยงเราให้แตกจากมิตรด้วยคำส่อเสียดข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงยุโยงคนอื่นให้แตกจากมิตรด้วยคำส่อเสียดข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่น ธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมะข้อนั้นอย่างไรอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากปิสุนาวาจาด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากปิสุนาวาจาด้วยกล่าวสารเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปิสุนาวาจาด้วยวจีสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสอย่างนี้ นี่ก็คือไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันดูก่อนพราหมและครหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพูดกับเราด้วยคำหยาบข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงพูดกับคนอื่นด้วยคำหยาบข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมะข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่นธรรมะข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมะข้อนั้นอย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากพฤทสวา j าด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากพฤทสวา j าด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากพฤทสว aja าาด้วย วจีสมาจาร์ของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ดูการพรามและครหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพูดกะเราด้วยถ้อยคำเพ้อเจ้อข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราอันหนึ่งเราพึงพูดกะคนอื่นด้วยถ้อยคำเพ้อเจ้อข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่น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 กล่าวสะลรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากสัมพัพปลาปะด้วยวจีสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสาอย่างนี้อริยาสาวกนั้นประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครเป็นไปเพื่อสมาธิอันนะ้ก็คืองดเว้นจากกายทุจริตสวจีทุจริตสี และก็ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สุดท้ายก็มีศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยวินยูชนสารเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิดูก่อนพราหมณ์และเครือหาบดีทั้งหลายเมื่อใดอริยาสาวกประกอบด้วยสัตธรรมเจ็ประการนี้เมื่อนั้นอริยาสาวกนั้นหวังอยู่ด้วยฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความหวังสี่ประการพึงพยากรตนเองได้ว่า เรามีนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุขติวินิบาตนรกสิ้นแล้วเราเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเนี่ยนะถ้าอยากอยู่กับครอบครัวอยู่ดีมีสุขยังแต่ก็ต้องมีธรรมะเหล่านี้นะจึงจะไปสู่สุขคติได้ทำไม่งั้นไม่รับรองงั้นพุทธเจ้าไม่รับรองแต่ก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และครืหาบดีชาวเวลุทวารคามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเหมือนงายของที่คว่ําเปิดท้องที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีในที่มืดเพื่อให้คนตาดีจะมองเห็นได้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงท่านพระโคโดมกับพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะโอ้ถึงสารณะคมเลยเนาะขอท่านพระโคโดมโปรดทรงจําข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปโอ้โหถึงสารณะคมมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เลยีไรก ถ้าพุทธายมีอะไรจะถามไหมครับแห่ท่นพักหน่อยครับเจอนะแล้วก็พระพุทธ เ, เรื่มงสายในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สุดท้ายก็มีศีลอันนะัในประถมชิคลัสสูตรในหัวข้อว่าด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากอันนะ้คืออยากไปสู่สุคติโลกสวรรค์ที่ทีนี้ว่า มนุษย์จะมาได้คืนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะดูกราฟิสูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษโยนแอกซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาสมุรทรบวงตาเดียวอ่ะนะแสดงว่าสูตรนี้มีกล่าวไว้ละแออุปมาณนี่นี่มีกล่าวไว้หลายในมากหลายแห่งด้วยในมัชิมนิกายภาระ บ, บัณฑิตสูตรก็กล่าวไว้ในตรงนี้ก็กล่าวไว้เต่าตาบอดมีอยู่ในมหาสมุทมนั้น ต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาอีกคราวหนึ่งคราวหนึ่งเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเะต่าตาบอดนั้นต่อล่วงร้อยปีต่อล่วงร้อย ป, อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งจะสอดคอให้เขาไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอทีอนี้ไอ้บ่วง น, นั้นมันไม่ใช่มันตั้งอยู่กับที่นะลมมันพัดด้วยลมพัดจากทุกทิศ่ สรุปไม่นิ่งไอเต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีโผล่ทีนึงปเปอร์เซ็นต์มีไหมที่จะโผล่มาถูกกันบวงอันนั้นพอดีอ่ะโอ้โหมันยากมีแต่ว่ามันยากอย่างนั้นพิสูนทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญถ้าล่วงกาลนานไปบางครั้ ง, บา ง, งบางคราวเต่าจะสอดคอให้เข้าไปในแอกนั้นได้บ้างแต่ว่ามันคงนานมากเลยไว้เจ้าข้าดูการพิสูน์ทั้งหลาย ต, ตาบอดต่อล่วงร้อยปีต่อร่วงร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นคราวหนึ่งคราวหนึ่งสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวนูนยังจะเร็วกว่าเรากล่าวความเป็นมนุษย์เพราะคนพาลผู้ไปสู่วินิบาตแม้คราวเดียวก็หาไม่ได้ข้อนั้นเราเหตุไรเพราะว่าในวินิบาดนี้ไม่มีการประพฤติ ธ, ธรรมการประพฤติชอบการทากุศลการทาบุญ มีแต่การเคี้ยวกินกันและกันการเคี้ยวกินผู้มีกำลังน้อยกว่าย่อมเป็นไปในวิวนิบาตบวิบว้บวินวินนนนะออาบวิบวิบวรบวรบวิบวเบวิบวิบวิบวิบวิบวิบวิบวิบวิบวอบวิบวอบแล้วิบวิบวิบวอบวิบวิบวิบวิบอิบวิบวิบาิบวิ่วิบวิบวิบวิบวิมวิบนิบวิบวิบวิบวิบวิบเิบวิบวิบนินาบวาิบวนะปปงบวิบวิบวิงวิบวิบเิบว น, น้อยบติบวิบวิบวิีวิบวิบ สัตว์บางชนิดนะโยมถ้าไม่ข้าไม่ได้กินเอาถ้าปลาใหญ่ถ้าไม่กินปลาเล็กก็อดตายนะถ้าเสือนี่ถ้าไม่กินสัตว์ทั่วไปก็อดตายอันสัตว์ส่วนหนึ่งมันต้องกินกันต่อกันเป็นทอทอดทอดทอดเพราะในบรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่มีการประพฤติธรรมเมื่อไม่มีการประพฤติธรรมเมื่อไหร่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี่มาด้วยผลของบุญนะวิบากกรรมมาชลบเหล่านี้เนี่ยอยู่ด้วยผลของบุญแต่ทีนี้ว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยนะ มองให้ดีไม่ต่างจากน้ำแข็งนะมันละลายได้เหมือนกันหมดบุญเมื่อไหร่นะละลายเหมือนน้าแข็งเปี๊ยเลยเพราะมันอยู่ได้ไม่นานแล้วในขณะถึงมันไม่ละลายนะมันมีไอเตโชธาตอยู่อันหนึ่งเตโชธาตชนิดนี้ก็คือมันเผาให้แกชาราอยู่ในตัวเองบางท่านเนี่ยโหพอจากกาันทับเดียวแค่นั้นเองไม่นานนะมองเห็นโอ้โหเตโชธาตมันเล่นงานแรงจัง นั่นแหละพวกหูพวกอะไรเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยมองเห็นความชราเนี่ยชัดเจนขึ้นโอ้ยเตโชธาตุเนี่ยมันเผานั่นแหละอบายสี่นี่มีสำนวนอีกอบายทุกติวินิบาทนรกบางบางทีสับสี่สับนี้ก็คือนรกอันเดียวแต่บางทีก็หมายถึงคลุมมาถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยสมมุตินะถ้าเรามาบินว่อนอยู่อย่างนี้ยมเปอร์เซนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์คืนนี่ง่ายไหมมาเป็นมแมลงวันนี้ กวาดที่เดินนี่ยนะอ้เห็นหมดมันเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้กําลังนึกเมื่อไหร่มันจะได้มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์สักทีเนาะถ้ามันมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจธรรมะสักทีอะโอ้โหไอกว่าจะมาให้ตัวเองเป็นปฏิสนธิเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากอยู่แล้วอะ่ะมาเป็นมนุษย์แล้วมาศึกษาพระธรรมคำสอนนี่ยากมันยอมมาตึกษานี่ก็น่าอนุโมทนานะมันได้โอ้โหมันกรองมาไม่รู้กี่ชั้นนะกว่าจะมาเหลือเท่านี้ นั่นแหละกรองไปกรองมาพอเหลือเป็นน้ำดื่มหรือ ด, อดับก่านไม่รู้ศึกษาแนละ้วว่าใครเข้าใจนักมีสักกี่คนครับเจบนบอลเออมีตัดทาก็ได้บุญแล้วโอเพอแล้วกัน <c oughs> นะมีตัดทาก็ได้บุญแล้ว <c oughs> น, นั่นแหละเพราะฉะนั้น <c oughs> พระองค์จึงตรัสว่าอริยสัจสี่เป็นเไหนคือทุกข อ, อริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาพระองค์ให้กําลังใจเราตลอดนะ ถ, ถ้าเราค่อยๆดูพระสูตรนะพระองค์ไม่ได้ครูไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกพระองค์ก็ค่อยๆปลอบใจเหมือนกันมีไม่กี่สูตรหรอกที่พูดถึงนรกส่วนใหญ่มีสวรรค์เยอะแยะนั่นแหละ ถ้าไม่ทำไมประมาทแต่ที่จริงนะว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยใครเป็นคนทำํำถ้าเราคล้ายๆกับเราอยู่อย่างนี้แล้วทบทวนชีวิตของเราเองเนะมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นผู้เดินทางได้หาสายแล้วแต่จะเลือกเองเพราะทางไปอบายก็มีเขาเรียกว่าทางไปนรกทางไปเปรตทางไปอสุรกายทางไปเดรฉานทางไป มนุษย์ทางใบเทวดารวมทั้งขุมมรลกด้วยเรียกคติห้าทางแห่งคติห้าเราก็รู้กันนะเนาะสรุปง่ายๆถ้าล่วงอกุศลกรรมมบทสิบถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปนะเว้นแต่สมณะสมณะนี่เลยกว่านั้นอีกถ้าล่วงอกุศลกรรมบทสิบนี่แหละคือคาถาไปอบายแสดงว่าพระปลบายง่ายขึ้นดีครับก็ฉันเข้าเขาอะ ถ้าถ้าสมมุติถ้ามีแค่มนุษยธรรมอย่างงี้มันก็มันก็ไม่ต้องเป็น <c oughs> เป็นนักบวชก็ได้เนาะแต่ถ้าจะไปไปสูงกว่าใช่ไหมครับก็บอกว่าถ้าดีก็ดีกว่าถ้าต่ําก็ต่ํากว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้ า, าว่ามนุษยธรรมนะมีอยู่สิบประการด้วยกันมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมมาบทสิบนั่นแหละเทวธรรมก็คือฮีเรโอตาปะนั่นแหละ พรหมมาธรรมก็คือพรหมวิหารสิ่งก็ปฏิบัติเอาจะไปไหนก็สามารถที่จะทายตัวเองได้แล้วว่าจะไปไหนดีใช่ไหมทีนี้เอถ้าเกิดทําทั้งดีทั้งชั่วผสมปนเปนกันะนะก็เหมือนกับเล่นไม้สั้นไม้ยาวอ่ะนะแล้วจับอะไรได้ใกล้ตายก็ น, นั่นแหละเมื่ียังไม่สุดครับไปแค่พรหมแล้วเลยพรหมแล้วครับตอนนี้อ๋อเลยพรหมก็เพ่งอริยสัจนั่นแหละ<อ>ต้องอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปเจริญวิปัสสนาพิจารณาในเรื่องของ ขันท่าเอาเงี้ยเอาขันท่าชินหน่อยนะทําไมพูดถึงคําว่าขันท่านี่ถ้าพูดทุกข์ัตรูเฉยๆนะบางคนเนี่ยมันรู้มันอยู่ที่ไหนเนาะที่ฟังแล้วมันแผ่วๆอยู่ที่ไหนไม่รู้เมื่อไหร่นะจะมองเห็นว่าไอ้ความคิดอันนี้แหละคือทุกข์ัตรนะูเมื่อเห็นว่าความคิดตัวนี้คือทุกข์ศัตรูความคิดอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ยอมคิดอย่างนี้ไหมไม่คิดมีปัจจัยอะไรที่ทําให้คิดแบบนี้ ปัจจัยที่ทำให้มีความคิดอันนี้หนึ่งอารมณปัจจัยคือเสียงที่ฟังใช่ไหมนะที่เรียกว่าฟังธรรมสัมมูลใช้คําว่าปะโตโคสะหนึ่งนะจิตอันนี้เป็นกุศลใช่ไหมเป็นถ้าเป็นกุศลนะหนึ่งฟังธรรมปัจจัยให้เกิดกุศลสองอตตาสมาปนิธิหรือโยนิโสมนัสิการการตั้งจิตไว้ชอบนี้กุศลธรรมนี้เกิดขึ้นดังนั้นกุศลธรรมนี้ไม่จากไม่มีแล้วมีขึ้นเพราะปัจจัยถ้าหมดปัจจัยกุศลจิตอันนี้ก็ก็ไม่มี เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่จะตามว่านั่นเป็นของเรานั่นเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราอานุสวรรค ล, ลจิตก็เกิดด้วยปัจจัยเมื่อปัจจัยพร้อมกุศลก็ก็เกิดถ้าปัจจัยไม่มีกุศ ล, ลจิตก็ไม่เกิดจิตอื่นๆก็เหมือนกันอกุศลจิตก็เหมือนกันนะอกุศลจิตที่จะให้มันเกิดก็หนึ่งอาศัยเสียงจากฝ่ายอื่นก็เป็นปัใจจัยให้อากุสวลจิตเกิดและก็การที่ตั้งจิตไว้ไม่ชอบทํา อันนี้ก็เป็นปัจจัยให้อากุศ ล, ลจิตเกิดนี้แบบรวมๆแต่ถ้าหากว่าแยกย่อยว่าอากุศลชนิดโลภะโทสะโมหะก็ไปตามรายละเอียดของอกุศลนั้นๆไปอีกครั้งหนึ่งอันที่จริงนะครการที่เรากําหนดทุกขลีศาสตร์เนี่ยดูๆแล้วมันก็ ก, ก็มันเต็มไปหมดนะครับทุกขัสัตนะก็อุปาทานาขันห้าเนี่ยครับก็เป็นทุกขัสั <ๆ S 2> เต็ ม, นะมเต็มไปหมดนะครับเนี่ยนะครั บ, ม, รบมันมีมันมีแทบเนี่ยทุกวินาทีเนี่ยมีแต่ไม่เห็น อ, อ๋นนะพวกเรานะมีหนึ่งอกุศล 42, นนะจิตสิบสองอนะอเหตุกจิตสิบเจ็ดเวนหัสิตุปาทจิตไม่มีมหากุศลอีกแปดมหาวิบากก็อาจจะคนละดวงสองดวงก็มีอยู่แค่นั้นแหล ะ, ะแต่เจตสิกเนี่ยรู้สึกจะครบเหมือนกัน น, นะหา <52 S 1> สิองเลยแต่ที่นี่มันก็กลุ่มอัญญสมานาเนี่ยเกิดตลอดนะอัญญสมานาเนี่ยตลอดเลยอย่างสัพพจิตตะสาธารณะเนี่ยตลอดเวลาเลย แต่ว่าอากุศลเจตสิกจนานแน่นนิดนึงนั่นแหละแล้วรูปรูปยี่สิบเจ็ดเอาโรคในหนึ่งคนไม่ยี่สิบเจ็ดนะหนึ่งคนนี่มียีสยี่สิบเจ็ดรูปเอาส่วนไหนมาพิจารณาก็ได้วันนี้หวีผมอยู่แล้วเนา ะ, ะผมมีกี่รูปอ่าผมมีกี่รูปพิจารณาหรือเปล่าเมนุผมทั้งหมดมีกี่รูปสี่สิบสี่รูป <44 S 3> อ่าสี่สิบสี่รูปหนึ่งนะภาวะทัศกาลกราบกายทัศกาลกราบ อุตอวินิโพค ร, รูปจิตตาวินิโพค ร, รูปอาหาราวินิโพค ร, รูปมีอยู่สี่สิบสี่รูปผมเนี่ยกรรมไมชรูปมีอะไรเป็นปจัจจัยบอกแล้วนะก็กรรมดิกรรมเป็นปจัจนจะัยเนาะมีเข้าใจเป็นอื่นอีกหรือเปล่าบอกกรรมชั่รูปมีอะไรเป็นปจัจจัยก็มีกรรมสิใช่ไหมอุตูชรูปก็มีอุตูเป็นแบบอาหารชรูปก็มีถ้าแยกอย่างนี้ปุ๊บเท่ากับแยกสมุทฐานโดยโดยตัวเองแล้ว ผมนี้เป็นวัตถุได้ไหมเพราะเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ น, นั้นเวลาดึงผมเนี่ยเป็นที่อาศัยผมของกายวิญญาณนะ ใ, ในผมเองเวลาคันศีรษะเป็นต้นเนี่ยก็มีโถถารลมเพราะฉะนั้นผมก็เป็นทุกขสัตว์นะผมก็เป็นทุกข์สัตว์อะไรอีกและมีกี่รูปอ่ะ เล็บก็มีนัะครบ เ, เนื้อหนังครับเล็บเดี๋ยวมันก็ติดเซลล์ที่มันตายไปแล้วเี้จะมาต่อรองกันอีกก็คือเล็บส่วนที่มันติดอยู่กับเนื้องไงอ๋อครับะนะเล็บนั้นมีอยู่รูปทั้งหมดสี่สิบสี่รูปเหมือนกันก็นกคือกายทัศกากลกราบภาวะทัศกากราบอาหารวินิโพครูปจิตตาวินิโพครูปอุตตร ว, วินิโพครูปดังนั้นในเล็บนั้นก็เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณและก็สามารถรับกระทบ โอทพารล ม, มด้วยพี่บอกว่าโอ้ยท่านเออโยไม่มีเวลาปฏิบัติทำมัวแต่ไปทําเล็บอย่างเงี้ยไม่ต้องอะโยไม่ในนั้นก็มีทุกขาริยศัตร์อยู่ด้วยพิจารณาเธอขณะที่ทาเล็บนั่นแหละสามารถที่จะเจริญอริยศาศัตร์ได้เออนี่เป็นการจะบอกว่าไม่มีเวลาว่างไม่ได้แล้วนะไปสระผมเนี่ยยังมีเวลาว่างที่จะเจริญอริยศาศัตร์ในขณะนั้นได้เลยมี่ยาตาปริญญาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวมันพูนไมบ่อยครับ แล้วมันทุ่มบ่อยๆนะทางที่จะไปสู่มรขนเนี่ยมันปลาทางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนเรื่องเนี้สมมติว่าปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่ที่สองอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ไอดวงที่สองมันก็เกิดซ้ำๆซๆกันเกือบทั้งชาตินั่นแหละแต่ว่ามันไม่ครบทั้งแปดดวงคือที่แบ่งประเภทแปดวงก็คือคนลักษณะใช่ไหมดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองต่างกันตรงไหน อ, อสังขาริกสังขาริกถ้ามาเป็นตถาลัมมณ ะ, ะก็ต้องไปดูที่ชาวนะอีกครั้งหนึ่งชาวนะประเภทไหนที่จะให้มหาวิบากนั้นมาเกิดห้อยท้ายถ้าหากว่าคนญาณนวิปยุทธปฏิสนธิด้วยญาณวิปยุทธชาวนะก็เป็นญาณนวิปยุทธแล้วตถาลัมมณ ะ, ะจะเป็นสัมปยุทธได้ไหมโหยากเต็มทีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมหาวิบากเราไม่ได้ครบแปดดวงหรอก นันในชีวิตจริงๆจิตเราเกิดไม่กี่ดวงหรอกนะที่ว่าแปดสิบแปดสิบปดสิบเอ็ดวงนั้นมันพูดเผื่อครอบจักราวาลเลยอ่ะเป็นยาครอบจักราวาล <c oughs> ถ้าอย่างเจตสิกของเราก็ส่วนใหญ่ก็อ่ะนะวิรตีเจตสิกวันหนึ่งเกิดกี่ครั้งนับเม็ดได้เลยอ่ะ <c oughs> นะอัประมาณยาเจตสิกวันนี้ไปสงสารใครบ้างูุเบกขาพรหมมิหารเนี่ยนะตามคำพีท่านแสดงว่า เมื่อได้จตุทชาญแล้วจึงจะต่อพรหมมิหารข้อนี้ในในวิสุทธิมักนะท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่ไปลัดขึ้นต้นพวดไปหาอุเบขาพรหมมิหารเลยเนี่ยไม่มีจะต้องต่อจากพรหมมิหารสมข้อข้อใดข้อหนึ่งมันจึงไม่มีกรรมฐานต่างหากว่าอุเบขาพรหมมิหารเบื้องต้นธรรมดานี่จริญนยังไงเพราะั้นการพิจารณาแบบอุเบขาธรรมดาก็คือพิจารณากรรมสกตา ถ้าธรรมดาเราก็คือพิจนากรรมมัสกานั่นแหละแต่ไม่ใช่อุเบคาพรหมิหารถ้าอุเบคาพรหมิหารนั้นต้องต่อจากจตุทชาญไปแล้ว